เพื่อต้องการที่จะให้พระองค์ช่วยไปพูดกับท่านนาถวาิเตขาเศรษฐีเพื่อขอให้ตนได้กลับไปอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ตามเดิมแต่ท้าวส ก, ก่าเทวรัชก็ตรัส ก, กับเทวดามิชาทิฐินั้นว่าถึงเราก็ไม่อาจกล่าวกับท่านเศรษฐีได้เพราะเหตุที่ท่านกล่าววาจาที่ไม่สมควรแล้วนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่า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 ให้ใครนำหนังสือสัญญากู้เงินจากมือของท่านเสถีมาแล้วนำไปหาลูกหนี้ให้ชำระหนี้เงิน18โกดกหาปณะนะที่พวกค้าขายกู้ไปด้วยอนุภาคของตนและนำมาบรรจุไว้ในห้องเปล่าให้เต็มรัพย์18โกดกหาปณะนะที่จมลงในมหาสมุทรนั้นก็ดีและซั์อีก18โกดกหาปณ ะ, ะส่วนอื่น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 ดีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วลงมือกระทําตามอุบายวิธีทุกอย่างที่ท้าวสากะเทวราชตรัสบอกแล้วได้กระทําห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีให้สว่างสวยดารงตนรอยอยู่ในอากาศเพื่อกระทานิมิตหมายให้ท่านเศรษฐีเห็นทนนาถมิติกาเศรษฐีถามว่านั่นใครนะ่ะเทวดาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันถาน คำว่าอันภานนี้ก็แปลว่าโง่เป็นคนตาบอดหรือคนเกกะระรานอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านถ้อยคำที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านด้วยความเป็นอันพานขอท่านจงยกโทษความผิดนั้นให้แก่ข้าพเจ้าโดยเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ลงธนกรรมด้วยการรวบรวมซัพย์54โกรกหาปณ ะ, ะมาบรรจุไว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 บุคคลผู้ทาบาปกรรมทางกายควาาใจบุคคลผู้นั้นขณะยังได้รับความสุขที่เกิดด้วยอํานาจหรืออนุภาพแห่งกรรมดีที่ทำไว้ในอดีตชาติอยู่ย่อมเห็นบาปกรรมว่าดีและบาปกรรมของเขายังไม่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้หรือในสัมปรายภพคือพบหน้าหรือชาติหน้า ผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีเสมอแต่เมื่อใดบาปกรรมของเขาให้ผลในปัจจุบันชาตินี้หรือในสัมปรายาภพเมื่อนั้นผู้ทำบาปขณะถูกลงทันต่างๆในปัจจุบันชาติและทุก์ในอบายในสัมปรายาภพอยู่ย่อมเห็นบาปว่าชั่วถ่ายเดียว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 ย่อมเห็นกรรมดีเป็นชั่ว อ, อยู่ตราบนั้นแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นคนทํากรรมดีขณะได้รับสุขที่อิงอมิตรมีลาภละสการะเป็นต้นในปัจจุบันนพบคือในพบนี้หรือชาตินี้และสุขที่อิงอมิตรอิงสมบัติอันเป็นทิพในสัมปรายภพย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆ ครั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศนาจบเทวดานั้นได้สำเร็จโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันคือเป็นพระระยะบุคคลชั้นต้นและพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันนี่ก็เป็นอันว่าธนนาวาิบิติเสฐีก็ได้ช่วยให้เทวดามิจฉาทิฏฐิกลับกลายมาเป็นสมาทิฐิและยังได้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 ที่หาได้ยากในโลกนี้มีอยู่4ประการคือปรารถนาว่า 1. ขอให้พภคขรัพย์จงเกิดแก่เราโดยชอบทำเถิดสองขอยศจงเกิดแกเราผู้ได้พภคขรัพย์แล้วพร้อมด้วยญาติและมิตสายเถิดสา ม, ม 3. ขอเราผู้ได้พภคขรศัพย์ได้ยศแล้วพร้อมทั้งญาติและมิตสายจงรักษาอายุให้ยั่งยืนนานเถิด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 ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สิ่งที่หาได้ยาก4ประการธรรมะ4ประการมีอะไรบ้างธรรมะ4ประการได้แก่ 1. ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อถือ 2. ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีล 3. จาระสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน 4. ปัญญาสัมปทา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 ถูกพยาบาทคือความคิดร้ายต่อผู้อื่นครอบงำแล้วถูกถีนมิทะคือความที่จิตหดหู่และเสื่องซึมครอบงำแล้วถูกอุทจักกุกกุจจคือความฟุ้งซ่านและรำคาญครอบงำแล้วถูกวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยครอบงำแล้วย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ไม่ทำสิ่งที่ควรทำ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 เป็นสิ่งเศร้ามองของจิตก็ละถีนามิทะรู้ว่าอุทจักกุกกุจจะเป็นสิ่งเศร้ามองของจิตก็ละอุทจักกุกกุจจะรู้ว่าวิจิกิจฉาเป็นสิ่งเศร้ามองของจิตก็ละวิจิกิจฉาเสียได้เพราะเหตุที่พระเรยสาวกพร ะ, ะความโลภความพยาบาทถีนามิตทะอุทจักกุกกุจาวิจิกิจฉาเสียได้จึงเรียกว่า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 จึงได้โภคทรัพย์มาโดยชอบธรรม 1. ได้โภคทรัพย์มาโดยชอบธรรมแล้วเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขเลี้ยงบุตรภรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงมิตรและอำมาตรให้เป็นสุข 2. ได้โภคทรัพย์มาโดยชอบทำแล้วย่อมป้องกันอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้าจากพราชาจากโจร จากผู้ที่เกลียดชังกันจากทายาิผู้ที่ร่วมมรรดกกันทําตนให้สวัสดีจากภัยทั้งปวง 3. ได้พภกทรัพย์มาโดยชอบทมแล้วกระทําพรีกรรม5อย่างคือ 1. ญยาติพรีได้แก่สงเคราะห์ญาติ 2. อติทิพีได้แก่ต้ อ, อ, ตตอนรับแขก 3. บุพเตพตะพลีได้แก่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย 4. ราชภรีได้แก่ถวายเป็นของหลวงมีเสียภาษีอากรเป็นต้น 5. เทวตาภรีได้แก่ทำบุญอุทิศแก่เทวดา 4. ได้โภกซั์มาโดยชอบทำแล้วบริจาคแก่สมณพราหมณ์ผู้งดเว้นจากความประมาทโมเมา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 เงื่อหลโสมกายประกอบในธรรมจึงได้มาโดยชอบธรรมดูก่อนคาระหบดีพภคศัพทรัพของผู้ใดถึงความสิ้นไปโดยเหตุอื่นนอกจากสิ่งที่ควรกระทำสีประการนี้โภกศัพทรัพของผู้นั้นเรียกว่าสิ้นเปลืองไปโดยมิใช่เหตุสิ้นเปลืองไปโดยไม่สมควรใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องส่วนโภกทรัพของผู้ใด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 โวคทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภคแล้วบุคคลที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วเราได้ข้ามพ้นอันตรายทั้งหลายไปแล้วทักษินาคือของธราบุญมีผลอันเลิศเราได้ให้แล้วอันหนึ่งภาริกรรม5ประการเราได้กระทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์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 กว่าโดยสิ่งที่นำความสุขความเจริญมาหรือว่าด้วยเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญอยู่ในบทที่11ว่าโดยการบารุงเลี้ยงมารดาบิดาดังมีเรื่องเล่าว่าหญิงพี่เลี้ยงของเด็กหญิงผู้เป็นหลานสาวของธนานาถาบินิกาเศรษฐีนางเอาแป้งปั้นเป็นตุ๊กตาแล้วให้แก่เด็กหญิงนั่นพร้อมกับกล่าวว่า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 ในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงรับการกราบทูิมนต์แล้วในวันที่สองพระองค์ได้เสด็จไปที่เรือนของท่านอนาถบิดกาิเศรษฐีพร้อมด้วยพระภิสุสงห้ารรูปและหลังจากพระองค์เสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเมื่อพระองค์จะทรงกระทําอนุโมทนาคําว่าอนุโมทนาก็คือยินดีด้วยหรือพรอยินดีจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า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 ญาติทั้งหลายก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นอันว่าทักษิณาคือของทํา บ, บุญนี้แหละที่ท่านให้แล้วชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้วในสงย่อมสําเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วตลอดการนานตามฐานะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ท่านอนาถาวิติกาเศรษฐีท่านได้ทําบุญคุทิศให้แก่ตุ๊กตาแป้ง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 เหมือนหนึ่งว่าเป็นคนที่ตายจากไปแล้วกระทาบุญอุทิศให้แก่ตุ๊กตาแป้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับนิมนต์ในการกระทาบุญนั้นก็จึงถือว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของการที่จะกระทาคุณงามความดีอะไรก็ตามถ้าเราปรารบเพื่อจะกระทาบุญกุศลการปรารบใ้เรื่องความดีแล้วกระทาบุญกุศลนั้นถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ท่านอนาถบินติกะเศรษฐีใช้อุบายวิธีกระทำให้ลูกชายของท่านเข้าวัดได้สาเร็จผลตามความตั้งใจโดยมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในอัตถกถาคำพีธรรมบทแห่งโลกวัตในเรื่องนายกาละผู้เป็นบุตรของท่านอนาถบินติกะเศรษฐีว่าสมัยเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหาร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 เราจะให้ซับทำลายความเห็นดื้อรั้นของนายกาละเมื่อธานนาถาบิดิกะเศรษฐีคิดได้ดังนี้แล้วจึงพูดกับนายกาละว่านี่แน่กาละลูกรักลูกจงเป็นผู้รักษาอุโบสถธศีลและไปที่พระวิหารเพื่อฟังธรรมเถิดพอจะให้กหาปณ ะ, ะแต่ลูกหนึ่งร้อยกหาปณะนะนายกาละถามว่า คุณพ่อจะให้กหาปะณะแกกระผมจริงหรือคอรับธานาน า, าถาิเดกะเศรษฐีตอบว่าพ่อจะให้กหาปะณะแก่ลูกจริงๆนายกาละรับปฏิญญาคือการให้คำ ม, มั่นสัญญาสามครั้งแล้วได้เป็นผู้รักษาออโบสทศีลและได้ไปที่พระวิหารแต่เก็ตคือการฟังธรรมนั้นเขาไม่กระทำเลยเพราะเขาได้แต่นอน อยู่ในสถานที่ที่มีความสำราญเท่านั้นพอรุ่งเช้าเขาจึงลึกขึ้นแล้วก็กลับไปบ้านธนานาธาบิติกะเศรษฐีพูดสั่งคนใช้ว่าบุตรของเราได้เป็นผู้รักษาอุโบสถทศีนท่านทั้งหลายจงนำข้าวต้มเป็นต้นมาให้แก่บุตรของเราโดยเร็วฝ่ายนายกะละพูดปฏิเสธยังไม่ยอมรับอาหารที่ มีผู้นํามาให้โดยพูดทวงค่าจ้างว่าถ้าเรายังไม่ได้รับกรหาปะนะจะไม่บริโภคอาหารธนานาถมิติกะเศรษฐีเมื่อได้ฟังคําพูดของลูกชายโกตรทนต่อการพูดรบกวนไม่ได้จึงให้ห่อกรหาปะนะตามที่สัญญากันไว้นายกะละพอได้รับหอกกหาปะนะไว้ในมือแล้วจึงบริโภคอาหารนั้น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 พระะผู้มีพระภาคเจ้าทรางทราบความเป็นไปของนายกาละหมดทุกอย่างแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงกระทําประการใดที่จะกระทําให้นายกาละจําบทธรรมไม่ได้ก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังประดุเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ